คำามที่ค้างเมื่อวานนี้เป็นคำถามที่ถามมาทีหลังถามว่าสังโยชนคืออะไรครับในนี้เคยเคยเทศไว้ใช่ไ้ยสังโยชนในเพจเราเนี่ยจำไม่ได้ว่าตั้งแต่ช่วงไหนถ้าย้อนย้อนกลับไปฟังของเดิมๆน่าจะมีอยู่นะเรื่องของสังโยช์ เอ๊ะหรือว่ามีเคยเทศ เ, เหมือนเคยนะสังยชน์น่าจะสองเดือนก่อนมาถึงนานหรือยังหรือเพิ่งเพิ่งจะมากันมามาจากกรุงเทพอ๋อมาถึงเมื่อวานาวนี่ มาไหนมาเสร็จงานมาไหนเห็นไเสร็จงานมาสิบเอ็ดตอ น, นมาถึงการ เ, ย, นเนย็นกันมาบินมากกอนแลว้วเมื่อวานเช้าก็าไปมาแม่ฟ้าหลวงโรงงานการแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปสังติวีก็ค่ำเช้านี้ก็มาที่นี่พรุ่งนี้นก็ไปแม่สายอย่างมาเลก็กลับค่ะวันนี้ทั้งวัน ทั้งวันค่ะอาชิงกอนหมอจะพอใจหรืออาจารย์พอใจค่ะประมาณประมาณสามคำถามที่ถามเข้ามาก็จะตอบสามคำถามนี้เสร็จจะทำธุระแล้วจริงๆอยากจะทำธุระก่อนแต่ไหนๆก็ได้ถ่ายออกมาแล้วสังยน์สังโยชน์มีความหมายว่าเครื่องผูกใจสัตว์ ก็แค่นี้เลยเครื่องผูกใจสัตว์อะไรเป็นเครื่องผูกพระเจ้าโพงทรงตัดไว้10ประการในเครื่องผูกเครื่องผูกใจสัตว์ไว้ในวัตฏะนี้ไม่ให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือผูกติดไว้กับการมาโลกรูปโลกอรูปโลกเรียว่าวัตฏะการถูกผูกใจไว้อย่างนี้มันจะมีเครื่องผูกอยู่สิอย่าง เครื่องผูกอันแรกเรียกว่าสักยทิฏฐิเป็นตัวผูกอันที่สเรียกว่าวิจิกิจฉาอันที่3เรียกว่าศีลปตปรามาอันที่4เรียกว่ากามราคะปฏิฆะกามราคะอันที่4ปฏิฆาอันที่5อันที่6เรียกว่ารูปราคะอันที่7เรียกว่าอรูปราคะอันที่8เรียกว่ามานะอันที่เเรียกว่าอุทจจะอันที่10เรียกว่าอวิชานี่คือเครื่องผูกเรียกว่าสังโยชน แปลว่าเครื่องผูกสังโยชนะเครื่องผูกนั้นเป็นภาษาไทยแต่ภาษาบาลีถ้าแปลตามตัวคือการประกอบพร้อมประกอบขันทั้งหมดไว้กับวัตะเนี่ยไว้พร้อมกันคือไม่ออกจากกันโยชนะคือการประกอบไว้ควบคุมไว้อะไรประเภทเนี่ยควบคุมให้ดวงจิตไม่สามารถถึงความรุ่พ้น นี่คือสังโยชน์สิอันนี้ไม่ได้ถามว่าจะแก้อย่างไงวิธีแก้เครื่องผูกคนไม่ได้ตอบนะตอบแค่มันคืออะไรคือเครื่องผูกเท่านั้นอ่ะอันที่สองอนุสัยคืออะไรอ น, อนุสัยคือกิเลสนอนเนื่องคําว่ากิเลสนอนเนื่องนั่นก็คือการการที่กิเลสมันนอนเนื่องอยู่ในขันขันคือขันธสันดานขันธสันดานก็คือมีรูป รูปขนันเวทนาขนันสัญญาขนันสังขันขันและวิญญาณขนันเนี่ยเรียกว่าขันทันดานคือเป็นเป็นที่นอนเรื่องของกิเลสที่นอนเรื่องของกิเลสนั้นหมายถึงกิเลสมันนอนเรื่องอยู่ในรูปก็มีรูปราคะคือความพึงพอใจในรูปกิเลสที่นอนเรื่องอยู่ในอารูปเอมไม่ใช่กิเลสที่นอนเรื่องอยู่ในรูป คือรูปราคะรูปปฏิฆะและความไม่รู้ในรูปเรียกว่าอาวิชชากิเลส ท, ที่นอนเรื่องอยู่ในรูปที่เรียกว่ารูปราคะเป็นอนุใสกิเลส ท, ที่เรียกว่าราคะอนุใสกิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในปฏิฆะ เรียกว่าปฏิคานุสัยแล้วก็กิเลส ท, ที่นอนเรื่องอยู่ในความไม่รู้ในรูปเรียกว่าอาวิชานุสัยอันนี้อ น, นุสัยสามทีนี้กิเลสมันจะนอนเรื่องในรูปได้ก็ต่อเมื่อมีภาษาในรูปหากไม่มีภาษาในรูปกิเลสก็นอนเรื่องไม่ได้ภาษาในรูปนั้นเมื่อภาษารูปใดก็เกิดเป็นสุขราคะจะนอนเรื่องเมื่อภาษากับรูปใด เกิดเป็นทุกข์ปฏิฆะก็จะนอนเลื่องหากผัสสะกับรูปใดแล้วไม่เกิดราฆะไม่เกิดปฏิฆะนิ่งๆเฉยๆอยู่และในขณะที่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้พิจารณาในสิ่งที่ผัสสะขณะเฉยๆนั้นคือไม่มีจิตพิจารณาอันั้นอวิชชาลุาสัยครอบงำคือความไม่รู้ครอบงำเรียกว่าสิ่งที่นอนเลื่องด้วยความไม่รู้มันนอนเลื่องอยู่ตรงนี้ ในอนุสัยนี้คือกิเลสแท้ส่วนตัวรูปไม่ใช่กิเลสรูปแม้จะมีอนุสัยนอนเลื่องตัวรูปไม่ใช่กิเลสแต่อนุสัยนี้คือกิเลสแท้เป็นตัวที่นอนเลื่องอยู่โดยอาศัยผัสสะแล้วเกิดเวทนาะเวทนามีสามคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สุขราคะนอนเลื่องทุกข์ปฏิฆะนอนเลื่องไม่สุขไม่ทุกข์คืออวิชานอนเลื่องความไม่รู้นอนเลื่องอันนี้ไม่ได้ถามวิธีแก้มา ก็อธิบายแค่อนุสัยถามอีกว่ามานสูตรคืออะไรมานสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของมานมันสืบเรื่องมาจากของเรื่องของพระราธะไปถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรได้ชื่อว่ามานพระเจ้าข้าที่เรียกว่ามานมัมนัม น, มนอย่างนี้มันคืออะไรพุทธเจ้าก็เลยตอบราธะว่าอันที่เรียกว่ามานเพราะทําให้ตาย หรือเป็นผู้ฆ่าอะไรทำให้ตายอะไรเป็นผู้ฆ่าสิ่งที่ทำให้ตายคืออะไรมหามุกได้ชื่อว่าเป็นมันถามมหาหนมันคือผู้ที่ทำให้ตายสิ่งที่ทำให้ตายหรือผู้ฆ่าอะไรคือผู้ทําให้ตายอะไรคือสิ่งที่ต้องตายไม่รู้ครับุณพเจ้าบอกว่ารูป อย่างใดอย่างหนึง่งบรรดารูปทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องตายใช่ไหมรูปเป็นสิ่งที่ต้องตายเมื่อมีรูปก็ต้องมีตายการที่รูปต้องตายรูปนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นมนันมันแปลว่าผู้ทำให้ตายในมันสูตรพระราช า, าก็ถามอีกว่ามานันมันนอกเหนือจากความเป็นรูปนี้มีอีกไหมพระเจ้าข้าผู้ใหญ่บอกมี คืออะไรคือเวทนาสัญญาสังขารและบิน ญ, ญาณรูปเป็นสิ่งที่ต้องตายเวทนาเป็นสิ่งที่ต้องตายไหมตายแล้วมันตายด้วยเหรอเวทนารูปเนี่ยมันตายอยู่แล้วเกิดแล้วก็ตายเวทนามันเกิดตายหรือเปล่า <c oughs> มันไม่ได้เกิดตายแต่มันเกิดดับมันเกิดแล้วมันดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิน ญ, ญ, ญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับตายในใช้กับร่างกายแต่ ในส่วนห้องน้ำใช้คําว่าเกิดกับดับแต่กายนี่คือเกิดกับตายเนี่ยฉะนั้นผู้ผู้ฆ่าหรือผู้ทําให้ตายไม่มีอะไรตายในโลกนี้มีรูปเท่านั้นที่ตายเวทนาที่ตายสัญญาสังขารวิญญาณคือคือผู้ตายเพราะ อ, องคประกอบการรวมกันคือมันเกิดมันดับนั่นเองได้ชื่อว่าเป็นมารเป็นผู้ฆ่าฆ่าอะไรคือไม่ไม่มีใครมาฆ่าแต่ตัวของมันฆ่าตัวของมันเอง เมื่อมีรูปรูป ก, ก็ย่อมถึงความสุดโรมไปในตัวของมันเองคือมันฆ่าตัวของมันเองเมื่อมีเวทนาเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในตัวของมันเองสัญญาสังขารและวิญญาณเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ชื่อว่าเป็นมานอันนี้อยู่ในมารลสูตรส่วนมานที่พระองคทรงตัดไว้มาน5ประการนั่นอีกอีกอีกส่วนหนึง่งไม่ได้อยู่ในมาราสูตรนี้มาราสูตรนี้จะกล่าวถึง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเท่านั้นว่าเป็นมารแต่เราก็รักมารหวงมารพอใจในมารเดี๋ยววันนี้จะมารักษามารไว้มีหมอมาเนี่ยอูตตายเนี่ยมารอันมารอันนี้ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นมารที่พระุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นทุกข์เข้าใจไหมพอมามีห้าใช่ไหมล่ะหนึ่งขันธมารคือตัวนี้คือขันธามาร สิ่งที่ต้องตายคือขัน 2. มัมจุมันการตายหรือความตายก็ชื่อว่ามนาน 3. อภิสังขารมันมันคือบุญกุศลคุณงามความดีก็ เ, เป็นมันอย่างหนึง่งทำไมอภิสังขารมันทำไมถึงชื่อว่าเป็นมันบุญกุศล ทำให้มนุษย์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายใช่ไหมเกิดตายเกิดตายอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดบุญเป็นตัวนําผลแม้จะนําผลในทางที่ดีก็คือนําไปสู่การฆ่าต้อนเราไปสู่ลงฆ่าจะไปต้อนไปฆ่าอยู่ในโลกมนุษย์ไปต้อนไปฆ่าอยู่ในโลกเทวดาจะต้อนฆ่าอยู่ในโลกของผมจะต้อนไปฆ่าอยู่ในโลกของเกิดกำเนิดเปรตผีปีศาจอสูรกายหรือไปต้อนไปฆ่าอยู่ในนรกก็ได้ทั้งบุญทั้งบาปอภิสังขารมันแล้วก็ กิเลสมันมันคือกิเลสมันคือกิเลสคืออะไรบ้างอนุสัยสามคือกิเลสแท้อวิชานุสัยกรรมมาลาคานุสัยปฏิคานุสัยคือกิเลสแท้นอกนั้นไม่ใช่กิเลสแท่อ้าวแล้วถ้าอนุสัยสามคือกิเลสแท้แล้วสังโยชน์ล่ะเป็นกิเลสหรือเปล่าสังโยชน์ก็คืออนุสัยนั่นเองคือเกี่ยวโยงกัน หากเรามีความเห็นผิดในสากายยติทีอนุสัยก็นอนเนื่องมันเป็นกิเลสตัวเดียวกันกับสังโยชนอนุสัยนะสังโยชน์เป็นชื่อของการผูกอนุสัยเป็นชื่อของกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสิ่งที่ผูกอะไรผูกความเห็นผิดในกายผูกความลังเลสงสัยผูกแล้วก็ความยึดถือผิดอย่างงมงายเป็นเครื่องผูก ผูกมนุษย์ไว้และมนุษย์ทุกคนก็ตกยืนภายใต้เครื่องผูกนี้นั่นแหละอนุใสเลยนอนเรื่องและเพอความนอนเรื่องของอนุใสด้วยจึงถูกผูก ด, ด้วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งมันเกี่ยวโยงกันหมดแล้วคําถามที่นี่ลูกใสจะได้ตอบแค่นี้แล้วบ้างคําถามหมดมาตอบคําถา ม, มเฉยๆ น, นั่นเองวันนี้ ตอนแรกคิดถึงที่นอนทันเสร็จว่าจะไปนอนพอดีเห็นหน้าหมอก็ยังนึกๆอยู่นะเอ๊ะวันนี้สิบสหรือ1ิบ2าสิบสองหรือสิบสาอย่างนี้ไม่ไม่ได้ดูวันดูคืนที่ถามมาทั้งหมดนั้นอยากจะแนะนำในเรื่องของการละ ในถามคถามที่ถามมาเนี่ยทั้งสามคอเนี่ยอยากจะแนะนาในเรื่องของการละเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหลักคาสอนมาให้ละละละและโดยส่วนมากเราจะเข้าใจว่าการละคือละความโลภความโกรธความหลงแน่นอนเราต้องคิดอย่างนั้นในความหมายที่พระเจ้าทรงสอนให้ละนั้น ละแล้วนำมาซึ่งผลสำเร็จในเรื่องของการจิตการที่จิตของเราเข้าสู่วิบูธได้ละเป็นผลสาเร็จคือละสังโยชน์ทั้ง10ประการเท่านั้นละอย่างอื่นไม่ใช่เป็นผลเท่าไหร่แต่เมื่อละสังโยชน์สิประการราคาโทสะโมหะโลกโกรธลงมันจะถูกคายไปเองถูกละไปเองการละสังโยชน์10ประการนั้น มันเป็นแบบตายตัวที่พระองค์ทรงตัดกํากับไว้แล้วชัดเจนว่าจะละที่อื่นไม่ได้เมื่อพระองค์ทรงตัดไว้ว่าละสกายทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพัฒปรามาตนั่นเรียกว่าโสดาบันหมายถึงว่าบุคคลใดก็ตามมีความพากเพียรพยายามที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันในพระศาสนาจะได้สัมผัสกับคุณธรรมที่เรียกว่าสัจจะในเบื้องต้นให้ละสกายยทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพพฒปรามาตเท่านั้นอย่าไปยุ่งกับ การมลราคาปฏิฆะหรือ โ, โรคกวดหลงใดๆก็ตามที่มันมีอยู่ในหัวใจปล่อยให้มันมีอยู่แต่ให้รู้สิ่งที่เราต้องละก็คือความเห็นผิดในกายความลังเลสงสัยแล้วก็การยึดถือผิดอย่างมมงมงายละพวกนี้ออกให้หมดนั่นคือการละในทางผู้ศาสนาพ่อพงศงตัดไว้ชัดเจนแล้วละสกฤติสีวิจิกิจชาศีลภัตตาปรามาตรเรียกว่าโสดาบันละการมลราคาปฏิฆะให้เบาบางเรียกว่าสกธาคาดี หากยังไม่สามารถละการมาราคะ ป, ปฏิฆะให้เบาบางจะเรียกว่าสากทธาคามีไม่ได้แม้จะสงบจิตข่มความโลภความโกรธความหลงในใจได้จิตไม่โกรธกับอะไรเมื่อถูกกระทบจิตไม่โลภในสิ่งใดๆเมื่อสัมผัสจิตไม่หลงในสิ่งทั้งปวงอันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมัน่นสงบได้ ความว่าสงบได้ไม่ใช่การละคือสงบอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงนั้นได้ด้วย อ, อำนาจบางอย่างทั้งสมาธิและวิปัสสนาอารมณ์แห่งความโลภไม่เกิดโกรธไม่เกิดหลงไม่เกิดแต่ยังไม่ได้ละความเห็นผิดในกายยังไม่ได้ละความสงสัยลังเลและยังไม่ได้ละความถือผิดอย่างงมงายแม้จะสงบกิเลสได้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการละนั้นได้แค่สงบ อันนั้นไม่ได้เรียกว่าสัมผัสธรรมะหรือว่าคุณธรรมในาศาสนานี้แม้เบื้องต้นอาจจะสัมผัสในองค์คุณคือสมาธิหรือวิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งได้นั้นเพราะฉะนั้นลำดับแห่งการละแล้วสําเร็จผลนั้นพวงตัดไว้ในสังโยชน์สิหรือพูดง่ายง่าว่าสิ่งที่จะต้องละนั้นมีแค่สิบเท่านั้นเองไม่ได้ไปละอะไรมากมายทําความเข้าใจสังโยชน์สิประการนี้ให้ชัดเจน แล้วเอาไปตีเป็นองค์ความรู้ขึ้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าก้อนความรู้ขึ้นในจิตตีความหมายให้ถูกต้องแล้วละทีละําดับก็จะเข้าถึงผลแห่งความสําเร็จได้แน่นอนแต่ต้องประกอบด้วยองค์คุณ5ประการอย่างที่พูดเมื่อวานนี้5ประการเชื่อปัญญาการตรัสรู้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสุขภาพร่างกาย ที่ธาตุไฟย่อยได้ดีเป็นผู้ไม่โอ้อวดเป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นผู้มีปัญญาอเห็นการเกิดและการดับองค์คุณ5ประการนี้จะเป็นเครื่องยืนยันการบรรลุผลในชาตินี้ของคนคนนั้นว่าใครก็ตามมีคุณสมบัติครบทั้ง5ประการนี้จกสําเร็จผลแน่ไม่เกิน7ปียืนยันอย่างต่ําได้อนาคามีตรงเนี้ยทำคําสอนพระเจ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่อง สร้างความสงสัยตัดความสงสัยทั้งมวลพูดไว้อย่างชัดเจนองคุณครบห้าไม่ต่ำกว่าอนาคามีในชาตินี้แน่ๆยืนยันอย่างนั้นและละสังโยชน์นั้นย่อมได้เข้าถึงผลในศาสนานี้ตามลำดับแห่งการละแน่ๆเหมือนกันละอย่างอื่นเคยละมาแล้ว ม, ม, มันไม่สามารถสั ม, สมผัสได้แต่พอมาละความเห็นผิดในกายมันสัมผัสได้ ถึงคุณธรรมในาศาสนาที่แท้จริงสัมผัสในสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมสัมผัสได้อย่างนั้นเป็นการสัมผัสทางใจนะวันนี้ไม่ได้เทศอะไรมากเพราะมีกิจธุระอยู่ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก็พอจะเป็นคติเป็นข้อคิด เป็นเรื่องที่จะนำไปสู่การพิจะะนารณาและนำไปสู่การปฏิบัติกันได้สำหรับผู้ติดตามเพจอยู่ขอใช้เวลาในการอธิบายธรรมะแต่เพียงเท่านี้